ทุติยะโกสละสูตรว่าด้วยพระเจ้าระเสนทิโกสนสูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาตะบิณิกาเศธธรษฐีเขตกรงสาวัตถีสมัยนั้นพระเจ้าปเปเสนทิโกสนเสด็จกลับจากการรบทรงชนะสงครามมาสมพระราชประสงค์แล้ว ได้เสด็จไปยังอารามโดยพระราชยานเท่าที่ยานจะไปได้เสด็จลงจากพระราชยานแล้วเสด็จไปด้วยพระบาทเข้าไปยังอารามสมัยนั้นภิกษุหลายรูปเดินจงกรมอยู่ที่กลางแจ้งพระเจ้าปเสนทิโคศนเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัส ถ, ถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณที่ไหนหนอ โยมประสงค์จะเฝ้าพระองค์ภิกษุเหล่านั้นถวายพระพรว่าขอมหาปะพิตจงเงียบเสียงสเสด็จเข้าไปยังพระวิหารหลังนี้ซึ่งมีประตูปิดสนิทดีแล้วอย่าทรงรีบด่วนสเสด็จเข้าไปยังระเบียงทรงกระแอมแล้วทรงใช้ปลายพระนขัขาเคาะบานประตูนิดหน่อยเถิดพระผู้มีพระภาคจากทรงเปิดประตูพระเจ้าเเสนทิโกสนด้ทรงเงียบเสียง เสด็จเข้าไปยังพระวิหารหลังนั้นซึ่งมีประตูปิดสนิทดีแล้วไม่ได้ทรงรีบด่วนเสด็จเข้าไปยังระเบียงทรงกระแอมแล้วใช้ปลายพระนขาเคาะบานประตูนิดหน่อยพระผู้มีพระภาคทรงเปิดประตูรับพระเจ้าเะเสนทิโกสนจึงเสด็จเข้าไปยังพระวิหารซบพระเสียนลงที่พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วจุมพิตพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระโอษฐ ทรงนวดด้วยพระหัตถ์ทั้งสองและทรงประกาศพระนามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันคือพระเจ้าปรปเสนทิโกสนมอมฉันคือพระเจ้าปเปเสนทิโกสนพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามหาบาพิษพระองค์ทรงเห็นอำนาจประโยชน์อะไรเล่าจึงทรงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในสิริระนี้ พระเจ้าประสิทิโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นความกะตัญยูกะตะเวทีจึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาคเพราะหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากทรงให้คนหมู่มากดำรงอยู่ในอริยญายธรรมคือความเป็นผู้มีกัลยาณธรรม ความเป็นผู้มีคุศนละธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหมอมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาค 2. พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีศีลมีศีลอันเจริญมีศีลอันประเสริฐมีศีลอันเป็นกุศลทรงเป็นผู้ประกอบด้วยกุศลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหมอมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้ จึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาค 3. พระผู้มีพระภาคทรงถือการอยู่ป่าเป็นวัดทรงอยู่อาศัยเสนาสนะอันสงัดซึ่งตั้งอยู่ในแนวป่าตลอดกาลนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาค 4. พระผู้มีพระภาคทรงสันโดษด้วยจีวรบิณฑบาบเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพศัศบริขารตามแต่จะได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหมอมฉันเห็นอนํานาจประโยชน์นี้จึงทําความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาค 5. พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานํามาถวายควรแก่การต้อนรับควรแก่ทักษินา ควรแก่การทำอัญเชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาค 6. พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ได้กาถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งเป็นสัปปายะแห่งความเป็นไปของจิตคืออปิชากถาเรื่องความมักน้อย สันตุติกะถาเรื่องความสันโดษปวิเวกกะถาเรื่องความสงัดอาสังสัคกะถาเรื่องความไม่คลุกคลีวิริยารมพกะถาเรื่องการประรุความเพียรสีลกะถาเรื่องศีลสมาธิกะถาเรื่องสมาธิปัญญกะถาเรื่องปัญญาวิมุตติกะถาเรื่องวิมุตติวิมุตติยานัทสนกทถา เรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตติตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหมอมฉันเห็นอนํานาจประโยชน์นี้จึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาค 7. พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยเป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก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 แม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นแล้วจึงมาเกิดในภพนี้พระองค์ทรงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันเห็นอนานาจประโยชน์นี้ จึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเห็นปานนี้ในพระผู้มีพระภาคเก้าพระผู้มีพระภาคทรงเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ทรงรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมนูทุจริต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 พระผู้มีพระภาคทรงทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหมอมฉันเห็นอนํานาจประโยชน์นี้จึงทําความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาคถ้าอย่างนั้นบัดนี้ มอมฉันขอทูลลากลักเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมโคนนาบัตนี้เถิดมหาปพิธครั้งนั้นแหลพระเจ้าระเสนที่โกสศนเสด็จลุกขึ้นจากพระราชอาศถถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทรงทำประทักษิณแล้วเสด็กลับไปทุติยโกสลสูตรที่สิบจบ มหาวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สีหนาทสูตร 2. อ, อธิมุติปทะสูตร 3. กายสูตร 4. มหาจุนทสูตร 5. กรสินสูตร 6. กาลีสูตร 7. ปฐมมหาปัญหาสูตร 8. ทุติยะมหาปัญหาสูตร 9. พทมโกสละสูตรสิบทุติยะโกสละสูตรสี่อุปาลิวัคหมวดว่าด้วยพระอุบาลีหนึ่งอุปาลิสูตร ว่าด้วยพระอุบาลีทูลถามประโยชน์แห่งการบัญญัติสิกขาบทครั้งนั้นท่านพระอุบาลีเขาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งนาตีสมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบททรงแสดงปาติโมฆไแกเหล่าสา ว, วกโดยอาศัยอานาจประโยชน์เท่าไรหนา พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีท้าคตคบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์กหเหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการอำนาจประโยชน์0ิประการอะไรบ้างคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ 3. เพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยาก 4. เพื่อความอยู่ผาสุก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 อุบาลีต้าทาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปฏติโมกแกเหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการนี้แหลอุบาลิสูตรที่หนึ่งจบ 2. ปาติโมกขัตถปนาสูตรว่าด้วยเหตุงดสวดปฏติโมกท่านพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตงดสวดปาติโมกมีเท่าไรหนอ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีเหตุงดสวดปาติโมกสิประการเหตุงดสวดปาติโมกสิประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุผู้ต้องอาบัติปารชิกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 2. กระถาว่าด้วยปารชิกยังทำค้างอยู่ 3. อนุปสัมบันน์นั่งอยู่ในบริษัทนั้น 4. กระถาว่าด้วยอนุปสัมบัน์ยังทำค้างอยู่ 5. ผู้บอกลาสิกขานั eaten eaten eaten eaten eaten eaten ่งอยู่ในบริษัทนั้น 6. กกระถาว่าด้วยผู้บอกลาสิกขายังทําค้างอยู่ 7. บรรฑเตอนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 8. กระถาว่าด้วยบรรฑเตอยังทําค้างอยู่ 9. ผู้ปรตุสราภิกษุณีนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 10. กระถาว่าด้วยผู้ปรตุสราภิกษุณียังทําค้างอยู่อุบาลี เหตุงดสวดปฏิโมกษิประการนี้แหละปฏิโมกขัทปนาสูตรที่สองจบ 3. อุภาหิกาสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้รื้อฟื้นอธิกร ทมพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้ธรรมสิบประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมเพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายสองเป็นพระหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท้ำกลางและมีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฐิสทรงจำปาติโมกทั้งสองได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ 4. เป็นผู้ตั้งมั่นไม่งอนแง่นในวินยัยห เป็นผู้สามารถปรับคู่ความทั้งสองฝ่ายให้ยินยอมกันได้ให้สำนึกตัวให้เพ่งพินิจ ด, ดูให้เห็นผลให้เลื่อมใส 6. เป็นผู้ฉลาดในการระ ง, งับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้น 7. รู้อธิกรณ์ 8. รู้เหตุเกิดอธิกรณ์ 9. รู้ความดับอธิกรณ์ 10. รู้วิธีปฏิบัติเพื่อระ ง, งับอธิกรณ์อุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิประการนี้แหละสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้อุภาหิกาสูตรที่สจบ 4. อุปสัมปทาสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้อุปสมบทพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอะพึงให้คุณรบุดอุปสมบทได้ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการพึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้ทำสิประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาฏิโมกข์เพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศึกษาบททั้งหลาย 2.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 วินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ 4. เป็นผู้สามารถพยาบาลได้เองหรือให้ผู้อื่นช่วยพยาบาลสัตธิีวิหาริกผู้เจ็บไข้ 5. เป็นผู้สามารถระ ง, งับได้เองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยระ ง, งับความไม่ยินดี 6. เป็นผู้สามารถบรรเทาความรำคาญที่เกิดขึ้นได้เองโดยธรรม 7. เป็นผู้สามารถปลดเปื่องความเห็นผิดที่เกิดขึ้นได้โดยธรรม 8. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิศีลเเป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิจิต 10. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิปัญญาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลพิงให้กุลบุตรอุปสมบทได้อุปสัมปทาสูที่4จบ นิสยสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้นิสัยพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพึงให้นิสัยได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการพึงให้นิสัยได้ธรรมสิบประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลละถึงสมาธานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพระหูสูตรละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. ท, ทรงจำปาติโมกได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยันชนะ 4. เป็นผู้สามารถพยาบาลเอง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 10. และถึงอธิปัญญาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยทำสิบประการนี้แลพึงให้นิสัยได้นิสยะสูตรที่หจบ 6. สามนเณรสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้สามนเณรอุปถากพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยทำเท่าไรหนอ พิงให้สัมมณเณอุปถาคได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธทำสิบประการเพึงให้สัมณเนรอุปถาคได้ทำสิบประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลละถึงสมาทานศึกษาอยู่ในสิก ข, ขาบททั้งหลาย 2. เป็นผหูสูตและถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ สาทรงจําปาติโมกได้ดีจําแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ 4. เป็นผู้สามารถพยาบาลได้เองหรือใช้ให้ผู้อื่นพยาบาลสัตธิวิหาริกผู้เจ็บไข้ 5. เป็นผู้สามารถระ ง, งับได้เองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยระ ง, งับความไม่ยินดี 6. เป็นผู้สามารถบรรเทาความรําคาญที่เกิดขึ้นได้เองโดยธรรม เเป็นผู้สา ม, มารถปรับเปื่องความเห็นผิดที่เกิดขึ้นได้โดยธรรม 8. เป็นผู้สา ม, มารถให้สมาทานอธิสีนเเป็นผู้สา ม, มารถให้สมาทานอธิจิต10เป็นผู้สา ม, มารถให้สมาทานอธิปัญญาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลพึงให้สามเณรอุปถาคได้สามเณรสูตรที่6จบ เสังฆเพทสูตรว่าด้วยเหตุให้สง์แตกกันพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆเภทสังฆเภทสงจะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่าไรเนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้หนึ่งแสดงธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม 3. แสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัย 4. แสดงวินัยว่ามิใช่วินยัย 5. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้ 6. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ เจ็ดแสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา 8. แสดง ร, รมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติม า, า, า 9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไวสิ0แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ ภิกษุเหล่านั้นแตกกันแยกกันทำสังฆกรรมแยกกันสวดปาติโมกแยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อุบาลีสงจะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่านี้แหละสังคเพทสูตรที่เจ็ดจบ สังฆะสมคีสูตรว่าด้วยเหตุให้สงฆ์สมคีกันพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆะสมคีสังฆะสมคีส ง, ค ส, มคสงฆ์จะเป็นผู้สมคีกันด้วยเหตุเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้หนึ่ง แสดงอธรรมว่าเป็นอธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นธรรม 3. แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่ามิใช่วิไนสี่แสดงวิัยว่าเป็นวิไนัย 5. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 6. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาสิทธไว้ได้กล่าวไว้ว่า ตถาคต alley, ได้พาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้ 7. แสดงกรรมทีต่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ 10. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้ ภิกษุเหล่านั้นไม่แตกกันไม่แยกกันไม่ทำสังฆกรรมแยกกันไม่สวดปาติโมกแยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อุบาลีสงจะเป็นผู้สมคีกั น, กนด้วยเหตุเท่านี้แหละสังฆสมคีสูตรที่8จบ 9. พ้ปฐมมาอนันทสูตรว่าด้วยพระอานนทูลถามปัญหาสูตรที่หนึ่ง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 แสดงอธรรมว่าเป็นธรรมสองแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมสามแสดงสิ่งที่มิใช่วิันว่าเป็นวิไนสี่แสดงวิันว่ามิใช่วิไนห้าแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้หกแสดงสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธ ไ, ไว้ได้กล่าวไว้ว่า ตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 7. แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤตมาว่าตถาคตได้ประพฤตมาแปแสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤตมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤตมา 9. ก้าแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัตไว้ว่าตถาคตได้บัญญัตไว้สิแสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัตไว้ว่า ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นแต่กันแยกกันทำสังฆ ก, กรรมแยกกันสวดปาติโมกแยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อานอน์สงจะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่านี้แหละท่านพระอาโนนทูลถามว่าบุคคลผู้ทําลายสง์ซึ่งสมคีกันจะประสบผลอะไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานอน์ บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสมัครคีกันนั้นจะประสบผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกับท่านพระอานนทูลถามว่าผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกับคืออะไรพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานน์บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสมัคคีกันนั้นจะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับหนึ่งบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันยินดีในการแตกกัน อยู่ในอธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบายอยู่ในนรกตลอดกับพลาดจากนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับเพราะทําลายสง์ที่สมคีกันให้แตกแยกกันปฐมมานันทสูตรที่9จบ 10. ทุติยอนันทสูตรว่าด้วยพระอานนทูลถามปัญหาสูตรที่สอง ท่านพระอานนทุนถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆะสมคีสังฆะสมสคสมีสงฆ์จะเป็นผู้สมคีกันด้วยเหตุเท่าไรเนาะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้หนึ่งแสดงอะธรรมว่าเป็นอธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นธรรม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 ไม่สวดปาติโมกแยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อานนท์สงจะเป็นผู้สมคีกันด้วยเหตุเท่านี้แลท่านพระอานนท์ทูลถามว่าบุคคลผู้สมานสงซึ่งแตกกันแล้วให้สมคีกันจะประสบผลอะไรพระพุทธเจ้าคะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์บุคคลผู้สมานสงซึ่งแตกกันแล้วให้สมคีกันนั้นจะประสบบุญอันประเสริฐ ท่านพระอานนทูลถามว่าบุญอันประเสริฐคืออะไรพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนบุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สมัครีกันจะบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์เป็นเหตุให้เกิดสุขและบุคคลผู้อนุเคราะห์สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันแล้วผู้ยินดีแล้วในความพร้อมเพรียงกันอยู่ในธรรม ย่อมไม่พลาจากธรรมอันเป็นแดนกระเสมจากโยคะย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับเพราะสมานสง์ให้สมคีกันทุติยาอานันทสูตรที่10บจบอุปาลิวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวรนี้คือ 1. อุปาลิสูตร 2. ปาติโมกขัทะปนาสูตร 3. อุพาหิกาสูตรส อุปสัมปทาสูตร 5. นิสยะสูตร 6. สมมนเนรสูตร 7. สังคเพทสูตร 8. สังสัสมาคีสูตร 9. ป้มปฐมานันทสูตร 10. ทุติยอานันทสูตร อกโกสวาคหมวดว่าด้วยการด่าหนึ่งวิวาทสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดวิวาทขึ้นในสมครั้งนั้นแหละท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความบาดม้างกันทะเลาะ แก่งแย่งและวิวาทเกินขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่สัมมาญพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้หนึ่งแสดงอะธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นอะธรรม 3. แสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินยัย 4. แสดงวินัยว่ามิใช่วินยัย 5. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้ 6. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 7. แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา เแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้ 10. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้อุบาลีนี้เป็นเหตุนี้เป็นปัใจจัยให้เกิดความบาดหมางทะเลาะแก่งแย่งและวิวาทเริขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่สําราญวิวาทสูตรที่หนึ่งจบ สองปฐมมวิวาทมูลสูตรว่าด้วยมูลเหตุแห่งวิวาทสูตรที่หนึ่งพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมูลเหตุแห่งวิวาทมีเท่าไรนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีมูลเหตุแห่งวิวาทสิบประกาตรตาามูลเหตุแห่งวิวาท ส, สิบประการอะไรบ้างคือ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 แสดงสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 7. แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา ok 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้สิ แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้อุบาลีมูลเหตุแห่งวิวาสสิบประการนี้แหลปพระมะวิวาทะมูลสูตรที่สองจบ 3. ทุติยวิวาทะมูลสูตรว่าด้วยมูลเหตุแห่งวิวาสสูตรที่สองพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มูลเหตุแห่งวิวาทมีเท่าไรเนาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีมูลเหตุแห่งวิวาสสิบประการมูลเหตุแห่งวิวาสสิบประการอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้หนึ่งแสดงอนาบัตว่าเป็นอาบัตส 2. แสดงอาบัตว่าเป็นอนาบัติ 3. แสดงอาบัตเบาว่าเป็นอนาบัตหนัก 4. แสดงอาบัตหนักว่าเป็นอาบัตเบา 5. แสดงอาบัตชั่วหยาบว่าไม่เป็นอาบัตชั่วหยาบ 6. แสดงอาบัตไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัตชั่วหยาบ 7. แสดงอาบัตมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตไม่มีส่วนเหลือ 8. แสดงอาบัตไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตมีส่วนเหลือ 9. แสดงอาบัตที่ทำคืนได้ว่า เป็นอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ 10. แสดงอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนได้อุบาลีมูลเหตุแห่งวิวาสิประการนี้แหลทุติยะวิวาทะมูลสูตรที่สาจบ กุสินารสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ครุงกุสินาราสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณไพรสนเป็นที่ประกอบพลีกรรมเขตครุงกุสินาราณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจ์ประสงค์จะโจ์ผู้อื่นพึงพิจารณาทำห้าประการในตนพึงตั้งมั่นทำห้าประการไว้ในตนแล้วจึงโจ์ผู้อื่นธรรมที่ภิกษุผู้เป็นโจ์พึงพิจารณาไว้ในตนหประการอะไรบ้างคือหนึ่งภิกษุผู้เป็นโจดประสงค์จะโจดผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่า เราเป็นผู้มีกายยสมาจา ร, ร, รบริสุทธิ์เราเป็นผู้ประกอบกายยสมาจา ร, ร, รบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องหรือไม่หนอะธรรมนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุไม่เป็นผู้มีกายยสมาจารบริสุทธิ <ME> ์ <culinary S 1> มีได้เป็นผู้ประกอบกายสมาจา ร, รบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องก็จะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านสำเนียอความประพฤติทางกายก่อนเถิด จะมีผู้ว่ากล่าภิกษุนั้นได้ดังนี้ 2. ภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโ จ, จ์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีวจีสมาจารย์บริสุทธิ์เราเป็นผู้ประกอบวจีสมาจารย์บริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องหรือหนอทธรรมนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุไม่เป็นผู้มีวจีสมาจารบริสุทธิ์ไม่เป็นผู้ประกอบวจีสมาจารย์บริสุทธิ์ ไม่ขาดไม่บกพร่องก็จะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านสำเนียความประพฤติทางวาจาก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้ดังนี้ 3. ภิกษุผู้เป็นโจทประสงค์จะโจ์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเข้าไปตั้งเมตตาจิตไม่อาฆาตในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายแล้วหรือหนอธรรมนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอ หากภิกษุยังไม่เข้าไปตั้งเมตตาจิตไม่อาคาดในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายแล้วก็จะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านเข้าไปตั้งเมตตาจิตในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้ดังนี้ 4. ภิกษุผู้เป็นโจประสง์จะโจดผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นพหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะ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 ไม่เป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในทถ้ำกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ไม่ได้ไม่คล่องปากไม่ขึ้นใจไม่แทงตลอดดีด้วยทิฐิก็จะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านเล่าเรียนคัมภีร์เสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้ดังนี้ ห้าพิสษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราทรงจำปฏิโมกทั้งสองได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะหรือไม่นอธรรมนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่นอหากพิสษุไม่ทรงจำปฏิโมกทั้งสองได้ดีไม่จำแนกได้ดีไม่ให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดาร ไม่วินิจัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะภิกษุนนั้นหากถูกถามว่าท่านผู้มีอายุสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ที่ไหนแก่ไม่ได้ก็จะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านไปศึกษาวินัยเสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้ดังนี้ธรรมที่ภิกษุผู้เป็นโจทย์พึงพิจารณาไว้ในตนหประการนี้ ธรรมที่พภิกษุผู้เป็นโจทย์พึงตั้งมั่นไว้ในตน5ประการอะไรบ้างคือ 1. เราจะกล่าวในเวลาอันควรจกไม่กล่าวในเวลาอันไม่ควร 2. เราจะกล่าวถ้อยคําจริงจกไม่กล่าวถ้อยคําไม่จริง 3. เราจะกล่าวถ้อยคําอ่อนหวานจากไม่กล่าวถ้อยคําหยาบ 4. เราจะกล่าวถ้อยคําอันประกอบด้วยประโยชน์ จกไม่กล่าวถ้อยคําอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 5. เราจะมีเมตตาจิกกล่าวเราจะไม่เพ่งโทษกล่าวธรรมที่ภิกษุผู้เป็นโจดพึงตั้งมั่นไว้ในตน5ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจดประสงค์จะโจดผู้อื่นพึงพิจารณาธรรมหประการนี้ไว้ในตนพึงตั้งมั่นธรรมหประการนี้ไว้ในตนแล้วจึงโจดผู้อื่น กุสินารสูที่4จบ